ก็เก้ี่ยเไว้ได้หน่อยอน่นตามสบายอนองไปสบายกันนอนแล้วต้องสบายแล้วเนี่ยต้องต้องไปห่มนอนสบายมันจิตมันน่าจะสงบเร็วเลยใช่ไหมสักพักนี่ไปแล้วเกิดมีเม็ตรแล้วอ้าวสาูง ท, ที่ต่ำเอาเต็มที่เลยอ๋อตามสบายยังไงสบายก็เ อ, อย่างนั้นแหละ ส่วนนนไปซีสุดสองนั่นคือขนาดย่อแล้วเนี่ยเราฉบับย่อกับฉบับหลวงล้วกั น, น่า ก, กันนีดหนึสรุดพวกเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละขนังคือตรวจ จะเนั้นการสวดวัดสวดทั้งวันทั้งคืนสวดร้อยแปดสวดพันอะไรก็ไม่รู้เน้นสวดอาถามว่าสวดอะไรไม่รู้เหมือนกันก็ยังดีนะการพลานามที่สองคือแสงนี่หลักเขาเก่าเลยตัยนนะี้แสงกันทั้งวันทั้งคืนเลยเสดแสงจนสว่าง เสกกระพระสันบินได้คงจะบินไปแล้วรังอันนี้นพระเอกขอมันคือสอนอันนี้น้อยพระเวกสอนนีน้อยหลวงพ่อพุทธทาสแต่ยังบอกว่าสามสอกเหมือนกันหุวงพ่อุทธทาทันเบาะสะอาดสว่างสงบทันเห็นอย่างนี้ สะอาดท่านหมายถึงคือกายวิชาสะอาดความหมายของท่านไม่คือสะอาดสว่างสงบสว่างเงินในนึกเกิดปัญญาสงบพกักกิดใจสรุปง่ายคือกายวิช า, จาใจานั่นแหละไม่หนีไปไหนไม่เคยสอนเรื่องไหนมันก็ไม่มีอันนี้ โดยเฉพาะที่เราสว ด, สวดไปก็คือเดียดักจึงเป็นเรีวยกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกพระพุท อ, องค์ก็กรรมไม่ได้มาสอนอีกแต่ไม่ได้แลว่าไมปสอนธรรมจักแต่เฉพาะสูตรที่เป็นธรรมจักนะท่านก็ไม่ได้สอนแต่ก็พูดเรื่องเดิมนัลนก็พูดเรื่องรูปเวทนาซึ่งอย่ญญางการอย่างในรูปแบบอื่นๆ ฉันตั้งเป็นเน้นที่เวทนาเวทนาเนะี่ยมันคืออะไรถ้าม่มีรูปคือไม่มีการเวทนามันก็แสดงออกไม่ได้เวทนาคืออคือความรู้สึกภาษาง่ายๆนีน่ร่างกายของเราเรอยกร่างกายแล้วก็ความรู้สึก ภาษาบ้านแล้วความจำความคิดการรับรู้ก็คแค่นี้แหละแต่ว่าแค่ห้าข้อห้าเรื่องห้าอย่างเราก็ยังไม่เข้าใจในใชีวิตจริงเชนคาว่ารูปเมื่อไม่เข้าใจตัวที่มันดับรูปนี่ก็คือก็คือความรู้สึกนั่นเองรู้สึกอะไรรู้สึกดีไม่ดีชอบไม่ชอบ ถ้าไม่มีรูปมันก็มีของคนี้เห็นผู้ชายเห็นผู้หญิงก็เห็นรูปแล้วแต่เห็นแล้วชอบไม่ชอบเฉยๆอีกเรื่องหนึ่งทุกอย่มันเรื่องเดียวกันจะเราจะเรียกว่าความรู้สึกเสร็จแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นเราคือคนทั้งหลายเป็นปิสิ่งตามความรู้สึกของตัวเอง แม้คือปัญหาละทีนก็แปลว่าอะไรเกิดชอบขึ้นมามันก็ตัดสินใจว่าชอบเกิดไม่ชอบขี่หน้าขึ้นมาก็เกิดไม่ชอบอย่างนี้เรียกว่าอาศัยความรู้สึกตัดสินขึ้นเดียวกันกับเรื่องอื่นมันขึ้นกับพฤติกรรมอย่างนี้พอเราเห็นสิ่งที่ชอบไม่ชอบไปตัดสินใจไป ต, ตามความรู้สึกที่เรรู้จากอารมณ์ แต่เราไม่ได้ตัดสินตามความเป็นจริงเพราะนั้นความรู้สึกกับความจริงมันคนมาเรื่องกันแต่เราแยกไม่ออกแต่ที่แรกเกาใส่แค่ความรู้สึกก็ตัดสินใจกันแล้วว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีอย่นี้เป็นตอนดีไม่ดีความรู้สึกของเรานะไม่ใช่ความรู้สึกของคนอื่นเขาแต่เราเอาความรู้สึกของเราเนะี่ยไปตัดสินเขาว่าดีหรือไม่ดีตรงกันข้ามถ้าคนอื่นเขาตัดสินใจเราอย่างนี้บ้าง คือเขาอาศัยความรู้สึกตัดสินใจเช่นเดียวกันเราจะรับได้ไหมนะนั่นคือประเด็นถ้าเราไม่ฝึกกองพวกนี้เราก็จะไม่รู้จักาธรรมะที่แท้จริงมันคืออันนี้ให้รูปประขันคันคือกองรูปประคันอีกเรื่องหนึ่งที่จริงมันไม่มีอะไรเลยขระคันตอนนี้ที่มันแสดงออกได้ก็ตอนนู้นมันมีนความรู้สึกเช่นตาเห็นรูป ตากระมิ้นก็คื่มันเรื่องคือเราต้องกแต่ตัวเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรนั่นคือความรู้สึกนั่นคือเวทนาเราจะอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกอย่างไรถ้าจิตเราใจเราไม่มั่นคงพอมันจะเป็นระดับเดิมชีวิตเรานในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหนักภาวนาตอนนี้บอกว่าให้เราเข้าใจว่าคำว่ารูป หรือว่าร่างกายภาพโดยรวมก็เรียกว่าสังขารอีกงๆแล้วสังขารในการรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นว่ารูปแล้วกันรูปร่างจริงจรูปร่างถ้าเราเข้าใจตรงกันตั้งแต่ทีแรกว่ามันไม่เกี่ยวกับสวยมันเกี่ยวกับงามมันเกี่ยวกับหลอ่อถ้ารูปประคันตัวนี้เราทำเข้าใจตั้งแต่ต้นเละ จริงๆมันคือดินน้ําไฟลมอาคิดตั้งแต่ต้นอย่างเนี้มันก็จะไม่เลยเกิดไปในขนาดนี้นะวันนี้ถ้าใค ร, ใครจะชอบก็แสดง ว, ว่าชอบดินชอบน้ำต่อไปวันหนึ่งมันก็แยกย่าง ก, กันไปใอ้สี่ตัวนีว่ที่เราเรียกว่ารูปแต่ตัวที่อาศัยรูปคือเวทนาจัตญาณสังาการวิญญาณเมืนนะ่อ ม, มันมีรูปรูปก็คือดินน้ําไฟลมมาอยู่ไม่ได้ ไอ้สี่ตัวก็อยู่ไม่ได้เราจะเรียกว่ารูปกับนามเพราะฉะนั้นไอ้รูปตัวนี้เรายังไม่เข้าใจเมื่มันอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้มันเสื่อมมันสลายเราก็ทําไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําใจตั้งแต่แรกแล้วว่ารูปมันเป็นอย่างนี้เมื่อมีรูปที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าชาตะเกิดมาชัดมันก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้แล้วก็ชราทันทีมันไม่ได้รออย่างแก่เหมือนที่เราคิดทีนี้คนเราคิดว่าชราคือความแก่คิดว่าคนอายุมากแล้วยี่เรียกว่าชราเราก็ตั้งค่ายอย่างนี้เราเข้าใจอย่นี้มาตลอดเราก็เลยว่าเรายังหนุ่มอยู่เรายังไม่แก่นี่คือการลิจชาติทิศในทางปฏิวัติว่าลึกชาติทิเราสําคัญมั่นหมายทางผิดตั้งแต่แรกแล้วคือเข้าใจไม่ถูก มันนั้นเราก็ทาความเข้าใจใหม่ชาลาเกิดมาปุ๊บก็ชราทันทีคือมันเสื่อมมันโทมมันํารุ่ดนี่คำว่าชาาเพราะนั้นความเสื่อมอันเนี่ถ้าเรามองไม่เห็นตั้งแต่แรกแรกมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆจริงๆมันเสื่อมตั้งแต่แรกแรกแล้วแต่ว่าเสื่อมมันก็คือไหยาณะนอมสมซึ่งมันตรงข้ามกับเจริญคือวัฒนะ คู่สัตวจูของมันคือวัฒนะถ้าเราไม่เห็นมันมันเราก็ไปมองว่าร่างกายมันเจริญที่เราพูดจนติดปาว่าเจริญเติบโตนี่กระทำให้เราเห็นผิดเป็นมิจฉาทิถฐิต้องเป็นแรกต้องเป็นหนุ่มต้องแต่น้อยเราเข้าใจว่ามันเจริญเติบโตจริงๆมันเสื่อมนั่นแหละในภูริเจสอนเราเห็นให้เห็นความเสื่อมเห็นความเสื่อมของผู้นี้แต่เรามองไม่เห็น พุทธเจ้าจ like ึงเน้นแต่กันแรกกันที่สองก็คือพยายามให้เรามองอย่างนี้เรียกว่าคำแรกคือพุทธเจ้าใช้ในในมัคคุโยมแปลคือสัมมาทิฏฐิมันเป็นภาพรวมคำว่าสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นถ้าเรายังเห็นพวกนี้อยู่อย่างเดิมนอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดเห็นผิดก็นำไปสู่การกระทําที่มันผิด มนุษย์เรามีสองอย่างกันนี่คือการการกระทําเสมอกันอยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วควาเห็นเสมอกันก็แบบว่าเห็นตรงกันเห็นตรงรองรักแก้อะอย่างนี้เรียกว่าอะเห็นเสมอกันเรียกว่าจิติสามัญญหตต่าประษาพร่าการกระทําตรงกันอะสี่รักสามัญญตางจะทําตรงกัน โจรมันก็ใช้ได้คนดีก็ใช้ได้คนไม่ดีก็ใช้ได้ถ้าเห็นตรงกันอย่างนี้ไง่ะมันเขาก็อยู่ของเขาได้มันเป็นของเขาเขาคิดได้วันนี้บูชปรับข้อแรกในมัดมีองค์แปดต้องใช้ว่ามีองค์แปดเพราะไม่ใช่ไม่ใช่มัดแปดอ่อมัดแปดเราก็จะแยกเป็นข้อข้อข้อมันไม่ได้แยกมันเป็นองค์รวมมันเป็นเรื่องเดียวกัน มันไม่ใช่ทแล้วข้อทีแล้วก็เหมือนสินสวมาธิปัญญาในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ไแยกแต่เราไปแยกมันว่าอันนี้คือศินนี่คือสมาธิอั น, นี่คือปัญญาเราก็พยายามตามนะคือคอยรักษาสินไปสมาธิแต่ไม่ได้เราก็บอกรักษาสินไปอย่างนี้เป็นต้นจริงๆสก็คือรักษากายวาจารจบตนนัวนี้วันนี้เราไม่ได้รับสินสักข้อเลยมันเป็นสินนั่นคือ ไต้องไปขอกับพระไม่ต้องไปอไ้อนวอนไมต้องไปขอร้องมันเป็นศีลตันติอย่างวันนี้เราไม่ได้ให้ศีลนะที่เราสวดกันตอนนี้ก็เป็นศีลตันติกันนไงกายเรียบร้อยวายชาอะไรวบบนี้เป็นศีลไม่พากไปฏิบตัติมันง่ายจะตายในทางปฏิบัติสภาพปรยัติมันยุงน่งยากาเราก็กเป็นมิจฉาทิฏฐิวันไหนที่ไม่รับจากพระก็วันนี้ก็ไม่ต้องรักษาศีลละเอาไปจ้งางพระอะไรเราก็คิดอย่างนี้กันก็สอมกันอย่างนี้ พราะพ่อเราขาดตัวสอน่ะเราไปไปเป็นเน้นพวกไปเอาใจใ ส, ส่ปรึกษาปรึกษาจนมากเกินไปลืมสอนทางทั้งหลายผู้ย่านั้นะเน้นสอนเป็นหลักนย่างนี้ผู้ย่าวยไปไหนจะไปสอนไทยในแต่ละวันสอนทุกวันกลางวันก็สอนคนกลางคืนก็สอนเทดดวเดาผู้ย่าวดีอนังสือไม่ใช่นักเสกนะ ไม่ใช่นักสวดนะพุทธเจ้าของเราแต่เราไปออกมาจากไหนก็ไม่รู้เราเอิพอสมควรคําว่าสวดแล้วก็เน้นเสริญเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่เสียหายอนอกนั่นไปกับโออะไรก็ไม่รู้ไปคือสิ่งสาระสัตว์เลีย ก, กันมานะมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่สิงที่พุทธเจ้าพยายามจะเน้นวันที่เราสวดทุกวันนะไม่ใม่จะเป็นการ ทรรมวัดเย็นหรือธรรมวัดชาซึ่งก็คือภารนาพุทธคุณทำ功德สังฆคุณนั่นเองโดยความหมายพูดง่ายๆคือพระรัตนาใจคือเป็นภาษาลองอยังไงการเข้าถึงพระระัตนาใจทุกวันควาหมายถ้าเป็นภาษาไทยละไทยอย่างเงี้ยการธรรวัดชาธรเย็นเพราะนั้นก็แปลว่าวันไหนเราไม่ทรรวัดยิ่งไม่เน้นธรวัดเนี่ยก็คือไม่ได้ถึงพุทธเจ้านั่ง ไม่ได้ถรรตระตนาจใจเราขอคุณของผู้พุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระเอก ร, รองรรรตอนน้องเน้นเขาว่าคุณนะไม่ใช่พ่าพุทธเจ้าที่เราเข้าใจกันพระธรรมก็เช่นเดียวกันไม่ใช่คำสอนคุณพระสงฆ์ก็เห็นพระอะไรองค์ที่เป็นคุณที่เรียกว่าเป็นคุณไม่ใช่สงฆ์หงุล้งิดหงุดหงเหลืองอย่างเนีน้อันนี้นมันสมมตินี่เป็นหมื่นเป็นแสนบ้านแล้ว มันสมมติประสงค์ที่เราเน้นไม่ถึงอริยะสง์ในความหมายเพราะนั้นที่เราภาณนาก็คือการที่เราเอาใจของเราเนี่ยเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีของดีในสมัยพุทธกาลสาวกของพระพุทธเจ้าคนที่ได้พบเจอพระพุทธเจ้าเบื้องหลังที่แท้จริงก็คือท่านเหล่านั้นอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้น ได้ปรารถนาตั้งความปรารถนาในพู้ทีเจ้าเพราะองค์ก่อนทั้งนั้นองค์รกรที่เข้าเข้าถึงผู้เจ้านั้นแต่และคนที่เกิดมาในช่วงผู้เจ้าพุทธันดรใดก็ตามท่านเหล่านั้นพะพุทธประทานผสมพระรัณาใจมีทุกพุทธันดรดังนั้นท่านเหล่านั้นจะเป็นคนที่เข้าถึงพระรัตาใจเป็นหลักสองก็คือท่านเหล่านั้น จะเป็นคนที่ประกอบด้วยศีลเป็นหลักอย่างน้อยศีลห้าพระอาตรเพราะว่าถ้าผู้ใดก็ตามเข้าถึงปรัตตนาใจมีศีลเป็นที่พึ่งเป็นแนวปฏิบัติคนเหล่านั้นจะเป็นการปิดอาบายคือจะไม่ไปนรกเปิดสัตว์ประสาอานอสุรกายไม่มีเกิดชาติไหนก็เป็นคนเป็นมนุษย์ ส่นจะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์อีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ให้ตรงสินถ้าสินห้าไม่ครบขาดไปสองข้อสามข้อข้อเดียวก็แล้วแต่แต่ว่ายังถือได้บ้างอันนี้ก็เป็นคนแต่ถ้าเป็นศินห้าครบเนี่ยเป็นมนุษย์ยมันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่พวกเราเต็ไหมก็ตามคนที่มีศิลห้าบริบูรณ์ กลับมาบริบูรณ์เหมือนพวกเราเนะี่ยแขนขาตาจมูกมาครบหูก็ดีตาก็าดีปากก็ดีแขนก็ดีจ้งกันข้ามถ้าสินไม่ครบก็จะมาเหมือนกันมาแขนข้างเดียวเนี่ยพวกเราชอบไหมมาตาข้างเดียวชอบไหมหรือมีตาเหมือนกันเรานะ่ะแต่ใช้ไม่ได้ เห็นมีตาเหมือนเราสต่ฟังไม่ได้มีหูเหมือนเราแต่ฟังไม่ได้มีปากเหอนเราแต่พูดไม่ได้เพราะอะไรพวกเราก็เพราะอะไ ร, เ, เ, ร, ะะไรเราก็เห็นกันอยู่ใ น, นโลกมนุษย์เนี่ยเนี่ยอันนี้นคือสิ่งที่เราควรคํานึงหมายคก็ว่ากโอนหลับปอนอนโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งกลับมาเป็นเป็นคนเหมือนกันแล้เวเสร็จไหมครับแต่มีปากก็พูดไม่ได้ ผมแ่แต่เด็กเดนวนกก็ามาก็เห็นคนก็ไม่ได้พากกันนะก็เห็นคนก็ น, นึกถึงอันนี้กันดี่ะตาดีดนี่นแต่ว่าเขาก็ยังเดินดูความยากลําบากให้เท้าข้าไปเขาก็มีตาเหมือนเรานะแต่ใช้ได้ไดคนนี้หูแต่ฟังไม่ได้มีปากก็พูดไม่ได้เองไหมคือข้าว่าอานิสงส์กับสินเพราะนั้นถ้าใครมีสินครบ คุณพรัชนาใจถึงแม้จิตเราไม่ได้ถึงขั้นโสดาสกาตาคานาคาอย่างน้อยก็กลับมาที่สำคัญที่สุดก็คือได้พบวัตถุศาสนีถ้ากลับมาแล้วก็เรามีความเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งเราเห็นว่าชาวต่างชาติก็ดีเกิดขึ้ที่ผิดทางเขาก็ยังดิ่โดนขวนขวายมาเพื่อบางคนแค่ไปอ่านแค่ไปอ่านประวัติวุตถศาสนา อย่างนี้ก็เกิดน้าตาไหลขึ้นมาของเก่าก็มีถึงแม้เป็นเป็นฝรั่งบังค่าเนี่ยแต่เพียงเําได้อ่านได้เจอคําสอนอย่างนี้เกิดปิติน้ําตาไหลอฝรั่งหลายคนเป็นอย่างนี้บางคนไม่รู้จักคำว่าสมาธิคืออะไรว่าปฏิบัติแล้วโอ้มันตป็นสาคัญเป็นสมาธิคือมันสามาธิแก้ปัญหาตัวเองได้ น, นี่ก็หลักสําคัญก็อยากให้พวกเรา ทุกคนว่าทานเราเราทํามาเยอะเยอะมากแล้วไม่ใช่มันไม่ดีจริงจรแต่ถึงที่ถึงที่ไม่ต้องลองทุนเลยเลยศีลไม่ต้องลองทุนเลยสมาที่ไม่ต้องเลยปัญญานนส่วนทานนะ่ะไปที่ไหนก็เจอเเกันแกกซองกันวันหมดก็ทาํทาตามกําลังเท่าที่ได้เท่าที่มีใจเดือดร้อนใจคนอื่นเดือดร้อนก็าามาทาน ขอสมควรตัวที่จะนั่นก็คือเสินโดยก็อางยิ่งคือคอนหลับคอนนอนทุกครั้งให้โอ้พระยิ่โก้ทำให้เป็นนิสั ย, ยไว้พระในใจเกิดเขาถึงพระราจารย์สมาธเสียแล้วก็นั่งระลึกถึงครูทุกคนธรรมคนสงคังทุกคนแล้วคุณปัจจุบันก็คุณคุณพ่อคุณแม่คุณของครูบาอาจารย์ ที่เราได้เรียนรู้ก็ไก่ไก็ไ่อบีซีดีก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ถ้ามีครูเราไม่เป็นอย่างนี้มีตาหมดไนมะ่มีตาเห็นครับไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณเราน้นถึงคุณว่าท่านท่านจะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรคุณก่อพ่อแม่ยันนี้เป็นประจำแล้วก็แพ้แม่ตาอย่างนีน้สุขกงก็ไปแพ้แม่ตาแพ้แม่าแตาไปจอดจงบ้างไม่จอดจงบ้างจะทําให้ใจแลือจิตของเราเป็นคนนี้แม่ตาเป็นอะไรจริงนี้ ก็คือไม่ได้รู้ที่รักมักที่ชังกับทุกคนโดยเฉพาะทุกคนจะไปคิดว่าเขาเป็นศัตรูเราเนี่ยตอนยิ่งท่านแม่ตายเยอะๆหนึ่งกันของอาฆาตมาร้ายมันจะตามมามันก็ผลผลผลไม่ไดีจะเกิดขึ้นกับเราคนที่เราฆ่ามารายคนเราคิดด่าเขาในใจเขาที่เหด้เนก็เราคนที่ย้อนคือตัวเราหนะนังกันปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวเอง ดูกายดูว่าจะดูใจของตัวเองนี่เป็นปฏิบัติเมื่อใดกระามจิตเราไปเห็นคนอื่นไปดูคนอื่นนั่นไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติแล้วมันมีแต่เรื่องไม่มีที่สิ้นสุดนั่งกัดไปเราทําอย่ังเห็นตัวเองเห็นตัวเองคืออะไรเห็นความดีและความไม่ดีของตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรงุงพัฒนาเพื่อมันเจริญขึ้นอย่งั้นมันก็จะเสืม่มเพราะปกติมันเสื่อมอยู่แล้วร่างกายเราเสื่มทุกวัน เสืทรมนั่นคะือจันสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ความที่มันอุปทานมันยึดว่าอันนี้คือของของเราก็มันเกินไปอยากตายขึ้นมนก็อยากอยู่แต่อยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วคนอยู่ไปร้อยปีโอดโวยก็ยังอยากอยู่ต้องรทางกายสังขารมันนี้ให้ไปนั้นฝากพวกเราทุกคนด้วยระยะเวลาที่เรามีอยู่บนโลกันนี้ มันไม่ได้เยอะเลยอย่างเงนอย่างท่เราคิดเวลาที่มีอยู่เนี้ยยิย่งพอเยอะจากนี้เป็นต้นไปเราก็สี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบไปแล้วแปดสิบไปแล้วถ้าอายุคุณจ่าเป็นเกณฑ์คือแปดสิบก็ไม่เยอะคนพูดนี้ก็มันจะใกล้ๆเข้าไปแล้วเวลาก็จะเหลือไม่มากถ้าเป็นเกณฑ์นะเจ็ดสิบห้าแปดสิบอันนี้คือเกณฑ์โดยประมาณโมคือเจดสิบห้าเนี้คือมาตรฐานเล โดยมารนะคร้เลยจะดสิบห้าไปเขาเลยแปดสไปถือว่ากำไรละ แ, แต่เขถือว่าเขาให้เราอยู่เพื่อทําความดีคิดอย่างนี้ทุกวันเรามีชีวิตยอยู่ได้เพื่อทําความดีอะไรที่เป็นความดีดีมากดีน้อยดีด้วยที่ไรก็แล้วแต่ทําทันทีอะไรที่มันไม่ดีที่เป็นอกคูโนทั้งหลายเลยหรือเล้นเว้นทันทีเช่นเดียวกัน คือเราก็จะอยู่แบบมีสติที่เป็นยังไงับเพราะว่าสติเราที่บอกไม่มีสติเลยก็ไม่ได้สตินีแต่มันน้อยมันสตังนั่นแหละทุกคนมีสตังหมดแต่สตังมันน้อยทําอะไรไม่ได้เพิ่มพิ่มสตังกับตัวเองเพิ่มสติแอกก็บตเองนี่คือโลกธรรมโลกธรรมก็อยู่กันอย่างนี้แหละอ่าถ้าเราจะอยู่แบบโลกอะ ก็อยู่ยออกับสตังอย่างเคยเรบอเคยเล่าตอนถ้าจะเคยจนตายกับยุคเกี่ยวก่อสตังอย่างเหลยวนี่สติอันนันสติกับสตังต้องคู่กันเปลี่ยนมาสตังก็ไม่หาสติเลยวันหลังคือหมดลมหายแต่แล้วสตังที่หามาเทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก่อนนั้นต่อให้เต็มสาเลาเต็มบทตัวนี้ก็มีประโยชน์อะไงเลยสตังที่หามาน่ะกแต่สติมันจะติดตัวเราไปนะ หมดลมหายใจท่าเสียทําหน้าที่ไม่ได้แต่ว่าจิตมันไม่ตายนจิตดวงนี้ไม่ตายร่างกายมันตายที่เรียกตายคือกายกายคืออะไรจาไหมเสมอกายอะไรนึกถึงดินน้ําไฟล้มจิตเรื่องรู้ร่างสังขารเพราะจิตผู้ชายอันนี้บางทีเราเข้าใจเออวันหนึ่งดินก็คือดินเราเข้จักบางทีน้ํามันก็จะเป็นน้ําเข้าใจบังทีลมก็พัดใส่กมาเข้าใจบางทีไฟมัฟนก็จะดับทุกอย่างดับหมดอืม ล ม, ลมดับลมดับสุดท้ายตามมาเป็นพ้นหมดที่อยู่ในร่างกายเราเรา ม, มันก็มีแค่นี้ผมพอจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพวกเราก็ไม่ต้องกลัวก็ไม่สมัยที่หลวงพ่อจำอยู่ที่นี่ก็ดูว่าเขาอยู่ที่นี่ไปกี่ปีแล้วแต่เขายังมีอยู่ ตีคนนี่ยังไม่ต่อแค่มีวันนั้นคืนอากาศอย่างนี้แหละทำเร็วล่างกว่านนี้เพราะว่าสมัยก่อนก็ตีทํำโดยฝากพื้นเขาบ้าฟ้าผนังเขาบาไม่ไผ่สับๆนี่แหละดังนั้ น, น, นมเมฆบ่อมันก็จะเข้าได้หมดอ่ะก็เหลือคืนเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งแต่พอจะนั่งเนีย่ยเขาไม่ให้นั่งเป่าหูอยู่นั่นแหละ ขขเขาไม่ให้กเราปฏิบัติพอพอจิตมันรับรู้หนึ่งวันนานนานเขาบอกเอาเป็นวันนี้มิตรก็แล้วกันนะนี่เป็นการมันรูร่างผู้ใหญ่เราไม่ต้องกลัวหรอกกลัวรูร่างเือนคนโบราณนะ่ะโบราณมากเลยพอเขาบอกมันบอกเราจะมาขอสินนี้นานะไอ้เจ้ ข้อสินก็ขให้สินเข้าไปเพราะเล่นกันมานานแล้วเรากนึกว่ามันเ ป, าเ ป, าเป่าหัวเป่าหัวก็ดีหัวก็ไม่ใช่พูดโทรกันแล้วพูดแหวนก็แล้วอะไรก็แล้วเอาไม่อยู่ที่ตายก็มอกว่าเข้ามาขอสินเสร็จแล้วก็หาพอเขาก็รับสเนที่แต่เขาก็หายแวบไปเลยก็นั่งกัไม่เห็นกันไม่มาแตยก็ยังมีอยู่นะตัวทีท่ดือยังมีอยู่แต่พอโดนแพร่ไม่ไดเขาเยอะ ที่เป็นวศกเวชกาก็ยัยงมีอยู่ที่เป็นดือ้อมันรู้ไปอย่างเดียวไม่รู้ก็แผลแผลแมาตาเข า, าจริงๆไม่มีอะไรหรอกไม่เยอะเลยเขาก็อยู่เปลี่ยแต่เราพรุ่งนี้เวลา ท, ทําบุญถ้าถึงแล้วอย่าลืมแผลแม่ตาเขาด้วยแต่กวดน้ำก็แลว้วนึกป็นเขาด้วยก็ส่วนใหญ่เวลาเราทําบุญเระ เ, เราจะไม่ได้นึกของพวกนี้เราจะนึกถึงญาติพี่น้องเราแต่เรือ่องนี้เราไม่ค่อยพูดถึง เราต้องไปเลื่อว่าเขาอยู่มันนานกว่าเราเลยนี่นาน จ, า จ, าจนบอกปีปีไม่ได้คือพะนันก็ให้นักถึงเขาบ้างมันจะได้เสร็จเร็ว่อกถ้าจะได้เสร็จเร็วก็ช่วยๆกันห น, น, น่อยนี่หน่อยพออันนี้คือการคาบครั้งครั้งที่สองครั้งที่สองไม่กี่ปีก่อ น, นประมาณสักสี่ห้าปีย้อนหลังที่เรามาแจกของตัวเนี้ยจําไม่ได้เปนปีหนึง่ง พ่อนอนอยู่กระตื่นลูกใครนอนก็ที่ข้างล่างล่างสุดเลยอกาศมันหนาวเปิดประตูหน้าต่างไ้หมดอยู่กับความหนาวก็มันมีน้องน้ําในตัวเนาะถ้ามาก็ไปเรี้ยงไอเราเรียกวก่าพระอุปถัมภ์ไปเอาบาตรโปรเกรสเขาจะเอาไปเรียกเอาบาตรแล้เอาน้ําล้างหน้าล้างตาน้ำอุญไปให้ไอมันทําไมได้เข้ า, ม, ามันก็เรียกว่า หลวงพ่อหลวงพ่อเก็มาได้หอมเขเฉยๆเลยทำไมไม่เข้ามาจิตีพอตูราตรางเขาไม่ได้ปิดก็ไม่เข้ามาีกจนเดยสว่างสว่างก็ได้ได้อารุณพ้าเขาจะออกไปไหนก็ต้องถ้าไม่สรองต้องมีผ้าผ้าสังขาไปด้วยอย่างทีงว่าผ้าตื่ตัไปด้วยต้องได้อารุณถึงจะออกไปเขาไม่ออก เ, นะเขาชักได้อารุณเขาเอาน้ําเอาจะเอามาบาดเขาเขามา่อกี้ไหมรอบหนึ่งเขาบอก ไม่ได้มาว่าเอาถ้วใครมาเรียกเมื่อกี้นี่วะอืมเขาก็ยังมีนะแต่ ก, กขาไม่มีอะไรเขาไม่มอะไรบุญพระหลวงก็ไม่มีอะไรพกเราก็ไม่ต้ไปกลัวนีะคนนอนวัดจะไปนอนโครงการหลวงหมดเลยฟังนี้ก็ข้าพเจ้าขอไปนอนครงารหลวงละกันนูไม่เป็นไรเรามาเยี่ยมไปมาแทนเขาเยอะๆมีอะไรร่ายสั่ง กินเต้นนิดหน่อยอ้าววันนี้แกเนี่ยเรื่องมาสามสิบกว่าปีแล้วเกสี่สิบปีแล้วที่พูดเไม่เห็นมันแล้วเราพ่อก็อยู่ในเมืองสามสิบเก้าปีที่แล้วอออเอาเถอพักผ่อนเดี๋ยวเพื่อนกันมาเยี่ยมเองล่ะฮะก็อยู่นังช่วยกัน ใชางนั่นแหละช่างมาเสร็จไม่ไปไหนอ่ะเออบุญใหญ่เนี่ยบุญใหญ่เลยนี่บุญใหญ่ใครตัวท่านอ่ะงานนี้แต่นอนไม่ไส่ผ้าสวมนกับทุกใครตัวท่านอ่ ะ, ใ ค, ะใครหน้าตาดีก็เลือกเอาแล้วกันอ่า ยีส่สิบนาิกาสี่สนาทีโอเคพักผ่อนตามอาเซียเนาะ